สติงม้าพของความหลงความลืมแต่ว่าไม่หลงลืมจำได้ระลึกได้ความระลึกได้อย่างนี้เนี่ยเราก็คงอบว่างเราเรามีอยู่แล้วมีมาตลอดเลยจำเบอ ร, ร์โทรศัพท์ของเพื่อนได้ จำทางไปบ้านของญาติผู้ใหญ่ได้จำเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้ที่เคยร่มเรียนมาที่เก็บสะสมไว้ในความทรงจำดึง อ, ออกมาได้นั่นแหละคือสติเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสติคือความระลึกได้จำได้ไม่ลืมไม่ห ล, ลง กำลังทางานอยู่นึกขึ้นมาได้ว่าเออเย็นนี้เราต้องโทรศัพท์ไปหาลูกชายกำลังรีบเสื้ออยู่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อกี้เราตั้งน้ำเอาไว้ต้องไปทำนี่แหละคือหน้าที่อของสติ ط. นั่นแสด้ว่าสติมันไม่ใช่เป็นเรื่องลีรับซับซ้อนนะมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ แล้วนะมาแา ต, ต่งตันะ้งเติมปฏิแปลว่าเราลืมได้ไม่ลืมไม่ลืมข้อมูลไม่ลืมนัดหมายนะไม่ลืมงานการที่ค้างค้างเอาไว้แล้วก็รวมไถึงไม่ลืมตัวด้วยนี่เขอไม่ลืตัวนี้ก็ความหมายที่เราคุ้นเคย น, นี้ก็คือว่าได้ดีแล้วไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวเหมือนวัวลืมตีนะ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสติเหมือนกันนะคนที่เคยยากจนเสร็จแล้วได้ดีได้ดีแล้วก็ลืมเพื่อนดึง ม, มาเตือนที่เคยลําบากยากจนมาก่อนนะร็จแล้วต้องมีคนมาเตือนสตินะให้เราลึกว่าสมายสัยก่อนเราก็เคยลําบากไม่ควรลืมเพื่อนไม่ควรลืมอ่คสัมผัสมไม่ควรลืมพ่อลืมแม่ที่เคยที่เป็นชาวไร่ชาวนาอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติเหมือนกัน ที่เราใช้คําำมาเตือนสติมีคนมาเตือนสติรู้ตัวสติก็แายว่ารู้ตัวได้เหมือนกั น, นที่จริงความหมายที่จริงของคำนี้คือสัมปชัญญะแต่ว่าเราพูดเลื่อยรวมเว่าสติรู้ตัวคนที่สงบสลายอยู่แต่แล้วเราเรียกเขาปลุกเขาขึ้นมาจนกระทั่งเขารู้สึกตัวขึ้นมาได้อ่าพอเขารู้สึกตัวขึ้นมาได้มีสติกลับมาแล้วอันนี้เราเรียกเขา มีสติที่เป็นหน้าที่ของสติก็คือความรู้สึกตัวสลบสไล์เ ม, มาไม้นะเราเตือนหรือช่วยทั้งแม่เพราะขามีตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่าสติเนี่ยสตินี่เราแต่ละคนต้องมีกันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นความระลึกได้ความไม่รู้ตัวความรู้ตัวจนทำได้ประมาทหรือไม่ประมาทก็ประมาก็เป็นหน้าที่ของสติันนี้ ไม่ประมาทก็หมายความว่าเราเระลึกได้ถึงสิ่งที่มันแสงอยู่เช่นขับรถเราก็ระลึกได้ว่าขับรถมันอันตรายนะอย่าประมาทนะการที่เราเระลึกได้จำได้ว่ามันมีอันตรายแสงเล้นอยู่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อันนี้เราเรียก ว, ว่าสติเหมือนกัน หรือว่าเราอาจจะหมายถึงความไม่ลหลงไหลมัวเมามางคลเดินกีฬาแล้วมีชายชนะมาหลายครั้งก็ประมาทเห็นผู้ต่อสู้ว่าไม่มีอะไรอันนี้ก็ตายว่าประมาทก็ไม่มีสติเหมือนกันลหลงไหลหลงมัวเมาในชายชนะหรือหลงมัวเมาในความสามารถของตัวประมาทชู้ต่อสูอ้นนี้คือไม่มีสติ รวมไปถึงว่ายัางหนุ่มยังสาวยังมีสุขภาพดีก็ประมาทในความตายสิ่งไร้ไรมันยังไม่ปรากฏแล้วก็เราเราลึกได้ว่าสักวันมันจะต้องเกิดขึ้นในความตายอันนี้มีสติรละลึกได้ขึ้นมาก็เกิดควมามไม่ประมาทใชีวิตเนยประมาณนี้ความไม่ประมาทซึ่งเป็นชื่นอนึงของสติเนี่ยมันก็ เอามาใช้กับเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นเช่นอันตรายจากการขับรถอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ถ้ามีความระมัดระวังมีสติ ก, ก็ไม่เกิดการแฉงกีฬากับทีมรองบอลอาจจะแพ้ก็ได้ไม่แพ้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทอาจจะไม่แพ้แต่บางอย่างมันต้องเกิดขึ้นแน่แเช่นความตายคนที่ไม่ประมาทชีวิต เพราะว่าก็ามีมีสติระลึกได้ว่าเออชววันเราจะต้องตายไม่รูม้วมาเราจะต้องตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติซึ่งไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นในง่า ย, ายๆเพราะว่าคนเราอยู่กับสุขภาพอยู่กับความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะอยู่กับภารนามัยอยู่กับความสะดวกสบายก็ไม่ถึงหอกว่าบางทีก็ไม่ถึงว่า มันจะติดแผ่นสารปัจจัยได้ท่านมาอธิบายมาเก็บสตินี่แล้วก็พบว่าก็คงจะเข้าใจรู้เราก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราต้องมาสร้างกันใหม่ที่นี่มีอยู่แล้วตลอดเวลาแล้วก็อาจจะอาจจะมีเพื่อใช้การได้ด้วยนะทุวันที่ฉันก็ไม่ได้ลืมอะไรมากนะจำอะไรได้ทํางานอะไรข้างค้างนะยื้เสื้อก็ไม่เคยหลงลืมว่ากาลัง ตั้งน้มอยู่ต้มน้าร้อนอยู่นัดเพื่อนประจําได้ไม่เคยผิดนัดไม่ป้องมาในชีวิตเลือดอยู่สมอว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เตรียมความพิณในกรรมให้กับเอาไว้แล้ว<ม>ถามว่าแค่นี้พอไหมนะหลายคนรู้สึกว่าเออสติแบบนี้มก็พอใช้ได้แนละ้วก็ไม่ได้เข้ามาฝึกสติเลยนะไม่ต้องมาเข้าไว้ก็ได้เพราะว่าที่ อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้ฉันจะมีอยู่แล้วแล้วก็มีแบบไม่พร้อมด้วยนะใช้การได้มันก็นจริงอยู่นะแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะลาเรื่นไปเสียทั้งหมดมันมีสิ่งที่แม่คาดฝันเกิดขึ้นเยอะมันเรืองปัจจุบันทางเดินขึ้นเยอะประเด็นสำคัญก็คือว่าไอา้สติที่เรามีเนี่ยบอที่จะใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ย พอถึงเหตุการณ์ที่กษษปกิดขึ้นบานทัด่วนหรือเรื่องที่ไม่คาดฝันเนี่ยถามว่าสติที่มีอยู่มันรับมือได้หรือเปล่าเราไม่มีทางทางทนายได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสติคน เ, เราในชีวิตประจออําวันเนี่ยพอเจอเหการณ์แบบนี้เนี่ยมันมันเอามาใช้ได้ในขั้นตวงทีหรือว่ามันเอามาใช้แบบครึ่งครึ่งตลางกลางแต่ถ้าเรามีสติที่พัฒนาดีเนี่ยพอเจอเหตุการณ์่างนี้เนี่ยมันคอยตั้งหลักได้ความตื่นน แต่ตกใจไ ม, ไม่ไม่เ ข, ข, ข้ามาคกอบงจิตเพราะว่าสามารถที่จะสะลัดสลัดความรู้สึกตื่นเต้นให้ให้ความรู้สึกตัวเ ข, ข, ข, ข้ามาแทนได้ชีวิองคนเรามันจะมีเรื่องปัจจุบันทง้งุแบบนีน้อาจจะไม่บ่อยแต่ก็หลบประหลาดไม่ได้มันก็มาอยู่เรื่อยๆมาในลักษณะต่างๆกัน มายุการเรื่องตลกขึ้นมาที่ว่าพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเลยได้ยินใช่ไหมเสดไฟไหม้ขึ้นมานะบางคนก็ไปขนตุ่มออกมาจากบ้างนในทางที่ของที่มันน่าขนมีแต่นั่นเยอะแล้วก็ปพาไปด้วยเช่นชโฉนดหรือ ว, ว่าเพชรมินจินดานไม่ อ, ออกมาขนตุ่มออกมาอันนี้เพื่อไม่รู้ตัวนะนี่ไม่มีสตนะิคือถ้าท่านมีสติรู้ตัวแล้วเนี่ยมันไม่ขนตุ่ออกมาแต่บางครั้งความพัดพาดสูเสีย ความเจ็บยิง่งกว่นั้นแล้วความไม่รู้ตัวก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้อย่างพอผู้เช่นนี้พระราชาก็ได้สติคืนมาได้สติขึ้นมาก็รู้จ้าเออเราไปว่าคนนี้โง่แต่ที่จริงเราโง่กว่าเขาสุเขา อ, อยากได้สิ่งที่เห็นด้วยตานีมันมีความหวังแต่ว่าไอ้ทิศไอ้เราที่มันอยากได้สิ่งที่มันล่วงละเมิดนั้ น, นมันไม่มีาทางเดิไปได้ พระราชาคือรู้ว่าการทําแบบนี้มันโง่แต่พอเจอตุ้มกับตัวเองเนี่ยก็ลืมตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่ก็เลยอันนี้เราเรียกว่าเป็พาะสติเนี่ยมันออนคนเราถามถามว่าเวลาเราเผชิญกับกามคุกเซกแบบนี้เนี่ยเรารับมือได้ไหมหรือว่าเราจมลงไปในความโศก ค, ความเศร้าความเสียใจเวลาเราพบกับความผิดหวัง ในเรื่องคู่ครองในเรื่องการเรียนในเรื่องงานการทีร่เราีไม่มีใครปรารถนาจะได้ประสบแต่มันต้องเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งถามว่าถ้าเราเจอกันไอส้สิสติที่เรามีแบบเพื่อนในชีวิตประจําวันนีมันพอไหมไม่พอนะไม่พอบางคนก็เสียอกเสียใจนะท่านฆ่าตัวตายอันนี้เราได้ยินเป็นประจํา อยากจบ3ามปีครึ่งแต่พอไปเข้าห้องสอบปรากฏว่าวิชาสอบไม่ได้ซึ่งแมายถาว่าโดจบ3ามปครึ่งไม่ได้ต้องจบสีปีเสียใจมากเสียใจมากจมอยู่ความเศร้าความเสียใจตัวที่สุดก็โดดตึกตายก็เหมือนก็เป็นเรื่องเดียวกับนักศึกษาอนักศึกษาที่ได้โครงการฝุณไปเรียนดีหนึ่งหนึ่งองหนึ่อเภอ คุณเดีนนอกหนึ่งหนึ่องอำเภอหนึ่งทุนไปเรยเนี่ยไปที่เยอรมันแต่แล้วมีปัญหาทางการเรียนเรียนไม่ได้ภาษาเยอรมันไม่รู้เรื่องเลยกุ้งเหงาุ้มใจโทรไปหาพ่อแม่พ่อแม่บอกอยากลับเลยกลับแล้วถ้ากาาลับมาเมืองไทยแล้วกลับไปเรียนเยอรมันไม่ได้หาราไปห้าสิบเมตรตื่นขึ้นมาพึ่งขึ้นมาก็ายังเศร้าไม่หายโดดติดายสามเมื่อสองที่แล้ว สติในชีวิตประจําวันบางทีมันรับไม่อยู่นะความกับความพัฒนาความสูญเสียหรือการประสบสิทงไม่ดีไม่เป็นการปรารนาคนเราก็มีสาอย่างเท่านั้นแหละเราสวดทุกเช้าปารนาสิ่งเอ่อประสบสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจพัฒนาจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นถ้าชีวิคนเราลักเลี่ยงนะ ราบเรียบเหมือนกับเดินบนทางนะมันก็ดีอ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงชีวิตคนเราร บ, รบางทีมีบ่อบางิงก็มีผุแหย่ได้ซ้ำนั้นเราเพียงแค่ว่าเราสามารถในการเดินบนเส้นทางปกติแล้วไม่สะดุดอันนั้นไม่ได้เป็นรลับประกันว่าเราจะเดินบนเส้นทางชีวิตไปได้อย่างราบเรื่อถึงเวลาเจอเส้นทางที่มันขรุขระ ถ้าเราไม่มีความระมัดระวังตังวเราก็อาจจะสะดุดหลุมหรือว่าสดุดชิ้ซึ่ง ห, หรือว่าเสียช็อตๆได้บางทก็อาจจะเดินแล้วก็ตกเว้าไปเลยก็มีอันนี้ก็เพราะว่าสติที่เรามีมันอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นมากที่เราต้องเจริญสติกัน เพริมาสติของเราให้มากไปกว่าที่เราได้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะประเชอรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันในชีวิตความท้าทายสูญเสียการวิกิตต่างๆในชีวิตแต่ที่จริงไม่เราไม่ต้องรอหรอกว่าจะต้องให้มีวิกฤตรในชีวิตก่อนที่จะได้ใช้สติไม่ใช่ไปต้องเจอความท้าทายสูญเสียจะต่อทิ้งจะใช้สติที่เราฝึกมาอย่างเต็มที่ ในชีวิตประจํวันาเราฝึกสติไว้ดีแล้วนะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยอยู่อย่างปกติสุดได้มากกว่าเดิมหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมงานตาก็ทำได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าความรู้ตัวความไม่ลืมตัวความไม่หลงเนี่ยนะมันมีความละเอียดของมันอยู่ไม่ใช่เพียงแค่ว่า ตกตายแล้วตื่นขึ้นมามีสติอย่างนี้เราเรียกว่ารู้ตัวรู้ตัวแบบนี้เป็นรู้ตัวแบบหยาบๆอยู่นะมีรู้ตัวที่ละเอียดแาบนั้นรู้ตัวว่าเรากำลังฟุ้สร้างรู้ตัวว่าเรากำลังหมุนหงิดนคพานใจนะรู้ตัวว่าเรากําลังเศร้ารู้ตัวว่าเรากําลังคุกกับความเจ็บความปวดนี่เป็นความรู้ตัวที่ละเอียดซ้อนย่อยลงมาอ ก็มาแ ต, าต่สติที่ไวเรียนแค่รู้ตัวว่าฉันไม่สลกสไลนนั้นเป็นความรู้ตัวแบบจิกญาเราต้องการาการรู้ตัวที่ละเอียดกันนั้นความระลึกได้ก็มีความลึกระลึกได้ที่ละเอียดการระลึกถึงเบอร์โทรศัพท์กำหนดนัดหมายของเพื่อนงานการที่ข้ามค้างอันนั้นมันยังยังเป็นความระลึกได้ที่ยังหยากอยู่มีความระลึกได้ที่ละเอียดแล้วไวยี่งกว่านั้น อย่างเช่นที่เรากาลังเวลาเราเดินตรงโกมแล้วเราเกิดคิดไปแล้วเราลึกได้ว่ากําลังเดินตรงโกมอยู่ดีจิตกลับมานั่นแหละคือความลึกได้ที่ทํางานแบบฉับพลันและเอาไว้ความมาลึกได้ความรู้ตัวแบบนีม้มีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์มากเพราะมันทำให้เราไม่ไม่หลงจมเข้าไปในความทุกข์และได้ทําได้ความทุกข์เนี่ยลุกลามขยายใหญ่โตคนที่เศร้า พอแทบิดหวังจนค่าตัวตายเนี่ยความเศร้าควาพอแท้เพรนก็เริ่มต้นมาจากร่างกายความผิดหวงความเศรเล็กๆที่มันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าปวดร้อนว่ามีสิวอะเด็กสาวมีสีไม่กินไม่กินเนสบุลไลเน่าทำให้่าตัวตายได้มันก็เริ่มต้นมาจากความรู้สึกเล็กๆในน้อยที่เกิดขึ้นที่แรกอจจะอาจจะ รู้สึกหายได้เล็กน้อยที่เพื่อนลอ้อแต่ว่ามันสะสมมากขึ้นมันเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆนั้นแห้ะในความความรู้สึกที่ทาําให้เราเป็นบ้าเป็นหลังทุ่มขัง่งจนกระทั่งทร้ายตัวเงวงทํร้ายคอื่นนี่ยเ อ, เอ้พราเราลืมเราลืมตัวเราไม่รู้ตัวมาตั้งแต่ตอนที่มันเพิ่มเกิดแต่เรามีสติที่ไวเราเจอเราดูดได้รู้ได้เราต้องการสติที่ไวอย่างนั้น ถึเชิญชวนให้พวกเรามาเดินตัวโคงสร้างกังหวะางในปสติกั น, กน แ, ลแล้วเราก็ได้เห็นสัจใจการจองเราว่าถ้าสติของเราไวเยไอ้ความคิด ม, มันไปแค่เดียวมันไปได้ไม่ไกล่มันกลับมาอยู่กับตายอยู่กับอิริยาบดบางทีความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกมันแรงหน่อยเพราะเราไปคุยเรื่องเก่าๆขึ้นมานะ สติที่เรามีที่เราปฏิบัติอาจจะช้ากว่าจะรู้ตัวกับคิดไกลๆหรือว่าตีอกชบตัวไปแล้วแต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วเออถ้าเรามีสติที่ไวนะมันดึงจิตออกมาได้ดึงจิตออกมาได้ได้ไวแล้วก็เราจะโปร่งใสโปร่งเบาขึ้นความระลึกได้ความรู้ตัวนมันมี มันมีหลายระดับขันะ้นแล้วแต่ละขั้นแต่ละขั้นถ้าละเอียดอ่อนแล้วก็วัยขึ้นไวขึ้นเรื่อยๆเนีจะช่วยทํำให้เราได้ได้จัดทุกได้ไวขึ้นแล้วก็ได้เข้าถึงสุดที่ประนี้ขึ้นประนี้ขึ้นเรื่อยๆอย่าไปดูถูกหรือมองข้ามในความรู้สึกความรู้ตัวความรู้ทันหรือความระลึกได้นะถ้าเราถ้าเราพัฒนาตสติเราเปิญใจ ความไม่ดูไม่หลงไม่ดูตัวไม่หลงตัวได้ไวได้ไวมันหมายถึงว่าอยู่ใกลน้นิพานมากเลยมันเป็นเส้นทางไปสู่ความอิสระอย่างแท้จริงจริงแค่เรารู้แล้วก็วางแล้วก็วางเคยมีคนถามหลวงปู่ดุลหลวงปูดด่นี้เป็นศิษย์ดุลแรกๆของพระอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นเป็นศิษย์รุลวุฒสสมศุ ก็คนก็เชื่อว่าคุณดูเป็นท้าวิยะก็เคยมีโยมคนนึงก็ถามคูณถึงว่าหลวงปู่ทำไมเนี่ยตัดความโกรธได้ท่านตอบไงบ้างเนี่ยท่อบไม่มีใครตัดได้หรอกมีแต่รู้ธรรมไม่รู้ธรรมแล้วความโกรธก็ถาเไปเองรู้ธรรมนี่คืออะไรรู้ธรรมนี่คือรู้ตัวรู้สตินั่นแหละมีความ ม, มีคนหาหลวงปู่นะ เห็นหลงปู่เป็นทาริยาเจเลยสามหลวงปู่มีโกรธนะหลวงปู่สั้นๆมีแต่ไม่เอาทำไมถึงไม่เอาก็รู้รู้มันไม่น่าเอาไอ้ความผกรธมันไม่น่าเอารู้ทันแต่ปกตินี้ไม่ทันไม่ทันจะรู้หรอกความโกรธก็าขมรดราไปแล้วมันก็ครอบเราไปแล้วนะเพราะว่าสติเราอ่อนตั้งรับไม่ทันเหมือนกับว่าประตูเมือง คนเฝ้าประตูเมืองนี่ไม่ไหวพอสับ ต, ตัวว่าจู่โจมไปอย่างกระทันอย่างฉับพลันคนเฝ้าประตูเมืองหรือว่าทรมารนี่คือ ส, งงสตววนสินั่นเองสติที่เฝ้าใจเอาไว้รักษาใจไนี่ถ้าเราไอ้ความควา ม, ความรู้ความรู้ทนันมันมันมันมีอันนี้สง ม, มากทีเดียวนีนถ่ถ้าเราถ้าเราถ้าเรารู้ทันไวๆรู้ทันไวๆมันก็จะหุดได้หลุดได้หลุดได้ แไม่ใช่แต่ไอสิ่งที่น่าเกลียดเราไม่เอานะเช่นความโกรธๆก็ร้มไม่น่าเอาแต่ว่าพอกตุ้นจิลใเร็จมาที่กระตุ้นใจเสร็ทีแต่แม้กระงสิ่งที่น่าเอาจิตก็จะเตือนเราว่าอย่าไปเอานะเพราะว่าไอพอร่อยอร่อยเนี่ยมันมีทุกแสงอยู่ความเพื่อตนกินดีในชื่อสงเกียรติยศในทรัพย์ใน ในความสำเร็จที่ได้มาถ้าไม่มีสติหรือสติไม่ไวพอเนะี่ยเราก็จะไปไปหลงหลายเพศข้นกับกับโลกธรรมเหล่านั้นในว่าจะเป็นชื่อชิงเกียจเกียจเงินทองความสําเร็จในความตนไม่เอาทีใ่ใครก็รั่วมันไม่น่าเอาแต่อีกพวกที่เป็นโลกธรรมที่มันน่าเอาเนีนะ่เองเบอร์อเอาลุกขีโดยที่ไม่รู้ว่าถ้าเราไปยึดมันแล้วแต่เพื่อตนดีๆของมันแล้ว มาผู้ตาลมาตาผูตา ม, ม, า, า, ม, ต า, ม, มาก็เพราะว่าอะไรเาจิตที่ฟูมากๆเนี่ยพอถึงเวลาตกลงมามัเจ็บเวลาเราประสบใจชนะแต่มันมันแปลเป็นความแพ้แทนมันทุกข์มากนคนที่เป็นชมปเสร็จแล้วก็แพ้เวลาไปแพ้ น, นมันจะจะทุกข์มากกว่าคนที่แท้มาตลอดแล้วก็แพ้อีกครั้งก็เฉยๆโลกธรรมหรือว่าอิทาลงไฟบวก ท้อาอารมณตัวเนี่ยถ้าเรามีสติรู้มีปัญญาก็จะไม่ไม่ไปไปยึดเอเจมันพรเรารู้ว่ามันก็ไม่ต่างจากหางหงูความทุกข์ความเศร้าความสศกตัวงูแตกมาแล้วก็ะตุกกัดแต่ว่าในส่วนที่ตรงข้ามความสําเร็จชัยชนะโชคลาภชื่อเสียงมันก็คือหางงูจากมันก็ต้องแหวกับมันได้อ้วย<ท>เราเราก็จะรู้ เบ็ดปก็เหมือนกับเหยื่อแหละเหยือ่อปลาที่มาเจอเหยื่อจะเป็นใตเหยื่อจะเป็ น, มนแมลงก็ตามมันน่ามันน่าอร่อยนะตอนที่คุ้มครั้งแรกนี่อร่อยแต่สักทีทก็จะเจ็บปวดขึ้นมาเมื่อเด็กมันเกี่ยวมันทะลุ ป, ปากโลกธรรมฝ่ายบวกคืออย่างนี้แหละก็คือว่าครั้งแรกเนี่ย ตอนที่เสกมันครั้งแรกตอนที่คลองมันครั้งแรกเนี่ยมันอร่อยมันให้ความสุขให้ความเพลดเพลินแต่เราต่องนั่นคือความทุกข์เพราะว่ามันเป็นไปตามหลักอภิญจม์เมื่อมีรดกระเสริมลดมินลากระเสริมลาบเมื่อมีอสารเสพตมดยิ้ทพาเมืม่อใดก็ตามที่เราดีใจที่คนสารเสพเวลาเขาด่าเราก็ต้องทุกข์ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เวลาคนด่าคนตำหนิเราก็อยา่าไปดีใจเวลาคนสรรเสริญถ้าเราไม่อยากทุกข์เวลาเสริมนาศเสริมยศเราก็อยา่าไปดีใจเวลาได้รับไดยศมันเของคู่กันนะยิ่งฟูเท่าไร่มันก็ต้องเรี่ยงกลับไปสู่ความสับเมื่อสิ่งต่างๆแปรไปมันคือเหยื่อที่มีเด็กแหลงอยู่เราปฏิเสธไม่ได้ แล้บางครั้งมันก็ไม่เป่นแปลงอาจจะไม่เปี่นแปงของบางครั้งเรามีมียอดมีลาบแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่ไม่มีการเสื่อมย ด, ดเสื่อมลากแต่เพียงแค่ว่าไอ้ลาบที่มีอยู่ยอ ด, ดที่มีอยู่เนี่ยอยู่กับที่เนี่ยแล้วก็ทุกแล้วเพราะว่าความอยากจะได้มากอยู่เพราะความเบื่ออาหารที่เราชอบนะกินทำสองครั้ง 2, แรกอร่อย กินจานที่สองก็ยังอร่อยแต่ถ้าลองกินทุกมื้อเป็นเนท่ยเช้ามาวันเย็นเช้ามวันเย็นหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดืเดนอนมันก็อร่อยเหมือนเดิมนะแต่เราไม่รู้สึกอร่อยเทา่าลนะเพราะนี่เราชอบเติมชักเลี่ยนชอบเบื่อแล้วก็ถ้าเป็นมื้อที่สองเราจะอ้วกหมดเลยเราคงเคยเจอการนี้เจอของที่อร่อยอยู่แล้วก็กินมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะเราจะเบียนละอากินแค่นึดถึงก็พาหวานนะ ขอมีเท่าเดิมนะแต่เราไม่มีความสุอขอกเพราะเลยได้ของใหม่มันไม่ต้องรอให้มันเสื่อมหรอกแค่มันอยู่กับที่เท่านั้นแหละเราก็ทุกข์แล้วแต่มันไมได้ทุกเร็ววันมันค่อยๆคืบนลานเข้ามาก็ว่าเป็นธรรมชาติที่ทุกข์ท่องสายในสุขมันเป็นเรือ่องที่ปรินนามทุกคือทุกที่มันแจงในสุขเมื่อความสําเร็จนะ่ะความสําเร็จตอนที่เราได้มาเราก็ดีใจ แต่เราอยู <ones. S 2> ่ไปนานชักเบื่อแล้วมันอยได้ความสุริยันใหม่เราต้องดาสิ่งใหม่ๆอยูเสมอไอ้ความเบื่อนี่แหละมันก็คือคือโทษของของโลกธรรมฝ่ายบวกเพราะฉะนั้นผู้ที่ถ้าเรามีสติระลึกได้กบทวนชี้ไดอยู่เลย่อนแล้วก็จะพบว่าไอ้คนนู้นก็ไม่นาเอาเหมือนกันความดีใจความเพลิดเพลินจรก็ไม่น่าเป็นภพเหมือนกันไม่ใช่แต่ว่าความโสดไม่เอาเท่านั้นนะ ความน่ายินดีความดีใจความสิริความสําเด็จมันก็ไม่น่าไม่น่าพูดไม่น่าเอาเหมือนกันถ้ามีคนถามหลวงพูดดูว่าหลวงพูมีดีใจไหมถ้าคำตอบมีมจะไม่เอามันเป็นเรื่องเดียวกันเอ่บวกกับลบเนี่ยนะคือเดีมันมันมันมาคนละคนลักษาคนนั้นเองแต่ทั้งคู่ใช้ก็คืออันเดียวกันก็คือว่า ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเมืม่อไหร่มันคือทุกเมื่อ น, นั้นถ้าเรามีสติเราจะรรู้ตัวเราจะไม่หลุดตัวคุกมันไม่ยึดมั่นถือมั่นเราได้รับามสำเร็จเราก็รู้ว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองวันนี้ชนะผู้นี้ก็อาจจะแพ้วันนี้ <c oughs> สําเร็จผู้นี้ก็อาจจะล้มเหลวเราไม่ประมาะทพฤตธรรมเราก็เลยไม่ดีใจมากเขาชมเราเราก็รึกได้ว่าเออผู้นี้อาจจะโดนด่ก็ได้ เราก็แม่เคยคลื่นมาโลกก็ทำมันเป็นอย่างนี้เองนะคือว่ามันไม่มีใครที่ยึดจะครอบครองมันได้และถ้าคิดครอบครองมันยึดมันถึงมนานมาเป็นเราเป็นของเรากก็ทุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติไปเนี่ยหลวงพ่อถึงเน้นว่านเนี่ยให้รู้สึกตัวตลอดเวลานะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างมันดีใจก็ช่าง ม, มันเสียใจก็ช่างนะสุกการปล่อยวางมีไว้ เมื่อดีใจก็รูว่าดีใจเมื่อเช่วยก็รูวเครียดแต่จะไปสําคัญมันหมายว่าฉันเครียดฉันดีใจจะมีคนามาศึกษามาศึกษาหลวงพ่อว่าผมกงพ่็นยังไงดีหนูเครียดจังเลยหลผมพ่ไม่ตอบแตพูดว่าถามไม่ถูกถามใหม่ก็เลยบอกว่าหลวงพ่อดูในความเครียดข้า ง, งหน ตากอะไรนะหนูเครียดจะดเห็นความเครียดเนี่ยถ้าหนูเครียดเนี่ยมันมันมันทุกข์เลยแต่ถ้าดูเห็นความเครียดนี่มันมันเบากว่าจันเยอะความดีความผิดผิดร่วนกันนะมันเกิดขึ้นอยไปสําคัญมากมันว่าฉันดีใจฉันทุกข์ฉันเก่งให้รู้ว่าฉันเห็นมันเห็นความดีใจเห็นความเก่งเกิดขึ้นเห็นความพึกเสริมเกิดขึ้นไม่ไปยึดมัน อันนี้แหละคือหน้าที่ของสติที่ฝึกฝนมาดีพอที่ไวพอไม่ทำให้เราลุกออกมาได้เป็นผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงอยากจะเชิญชวนให้เราเนี่ยแม้ว่าเราจะมีสติใช้การได้ในชีวิตประจำวันดีแล้วแต่อ ย, าอาย่าประมาทนะเพราะว่าเึงเวลาที่เจอเรื่องที่ผันนะเราจะตั้งรับไม่พัน เราเตรียมตัวสร้างสติให้ไวตั้งแต่ตั้งแต่เนิ่นๆทนีนี้เรื่องวิกฤตสิ่งผิดมันจะไม่เกิดนะแต่ว่าแม้กระทั่งการเกระทั่งธรรมดาเราก็อยู่ได้จัดการมันได้อย่างสนุกอยา่ยางเป็นสุขอย่างสบายยิ่งกวเดิมนะเพราะะ น, นก็อยากจะให้เตรียมตัวสำหรับปฏิบัติกันมากๆนะเพื่อว่าสติเราจะได้เป็นที่พึ่งของคนไทยที่นี่